ชาปะทุกย่นลงมาถึงเองกทุกในปัจจุบันชาระโรกย่นลงมาถึงเองกโลกในปัจจุบันพระบรมศาตสตราไม่ใช่เทศขยายหน้าเดียวเชื่อกเส้นเดียวนั่นแหละพระบรมศาตสตราเทศเวลาท่านขยายออกก็ดึงออกไปเวลาท่านม้วนเข้ามาโค้งเข้ามาก็เป็นอันเดียวกันสัพพนามสัพพนามนามันนามามงเป้าชื่อมันก็ย่นลงมาท่าเอกนาม ชาพะลูกก็ย่นลงมาหาเอกรูกชาพะเกิดก็ย่นลงมาหาเอกเกิดจะตายมากน้อยสักเพียงไรก็ถึงมาตายอันเดียวทอนนั้นพระสารีบุตรนับเม็เห็นเม็ดทรายในท่องมหาสมุทรได้ก็ต้องนับอย่างนั้นถ้าเปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใครจะเป็นพี่บ้าไปเป็นกรรมการฟังอยู่นั้นมันไหนกี่วันมันจริงจะครบถูกไหมล่ะถูกครับถูกครับต้องนับในฝ่ายทั้งข้าวโหเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงว่า สังกะโหอสังกะโหสังกะโหแปลว่าเราสงเคราะห์ลงมาเนือ้ออสังกะโหเราไม่สงเคราะห์พูดอลไเราพูดขยายครับจิตแปลทุกเก้ายดวงก็ย่นลงมาหาดวงเดียวเอกจิตตังถูกไหมรออดีตอนาคตย่นลงมาในหาปัจจุบันใครเป็นผู้ไปสาวหาอดีตก็คู่ก็คือผู้ปัจจุบัน ใครเป็นผู้ไปสาวหาอนาคตก็คือผู้ปัจจุบันนั่นใครเป็นไปพู้เป็นผู้สมมุติอดีตมาใช่ก็คือผู้ปัจจุบั น, น, นใครปไ ป, ปสมมุตอิอนาคตไม่ใช่ก็คือผู้ปัจจุบันเมื่อจับตัวของผู้ปัจจุบันได้แล้วมันก็หมดหนทางเราจะนับถึงล้านก็นับไปจากหนึ่งถ้าย่นลงมาก็ย่นลงมาหาหนึ่งถูกไหมถูกครับดินก็เหมือนกัน เราย่นลงมาอันเดียวเท่านั้นทีนี้เราเราย่นโรคลงมาเราภาวนาย่นโรคลงมาให้เล็กเท่าปลายเข็มยน่นสัางขาลงมาเล็กเท่าปลายเข็มเล็กกว่านั้นไปอีกนั่นแนหะโลคทั้งหลายยัดเยียดกันขนาดนั้นหละ่ะเวลาจิตของเราละเอียดเรารวมสมาธิลงละเอียดสักเพียงใดก็ตามโรคก็ยัดเยียดกันลงมาถึงเพียงนั้นเรียกว่าเรา ย่นโลกลงมาแล้วย่นทั้งขาลงมาแล้วย่นความสงสัยลงมาแล้วเข้าใจมหมหลักทีนี้อืมถ้า<น>ถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่สิ้นความสงสัยเลยในพระพุทธศาสนานที่คือคำว่าคำว่าย่นย่นในลำพูนผมมีอีกนิดนึงที่เคยเคยยินมานะคว่ามี พระวิสูจน์ซึ่งสามารถจะย่นระยะทางให้ได้เี่ยเท่าเท่ากับคือคือย่อนอันนี้ตรงกับที่หลวงปู่ที่บานนี่ไหมครับตรงตรงมืองคันอ๋อคือแทนที่เขาจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะใช้เดินก็คือใช้วิธีนึกเอาใช่ไหมครับหลงปู่ใช่ถูกนะนึกเอาแ ต, แต่แต่จริงๆไปแบบจริง ๆ, ๆแล้วมันจะเดินไปไปร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยจะใช้เวลาแค่เดินเท้าครึ่งชั่วโมงคงเป็นไป ไ, ป ไ, ปไปนนม่ได้หลวงปู่แต่การไปของพระวิสูจน์นี่คือไปด้ว ย, ด, วยด้วยปัญญาไปด้วยกัน ถูกแล้วคือโทนาทเาป็นทีวงปูิบายนี่ใช่ไหมครับก็นั่งอยู่บรนลังเดียวคณะคิดเดียวนี่เห็นไตโลกระทัดเมื่อเห็นความแก่ก็เห็นหมดไตโลกระทัดแล้วแล้วจะไปเหาะเหินเดินอากาศไปดูมันจึงจะเชื่อ อ, อย่างนั้นลราก็โงดด่ตายเราไปที่ไหนมันก็ไม่สุดโลกไปแต่นี้ไปหาวันตายเราก็ไม่สุดโลก ถ้าเราไม่เชื่อในป tamam ัจจุบันกิจปัจจุบันธรรมถ้าเราไม่เชื่อในปัจจุบันกนจิตปัจจุบันธรรมแล้วเราก็สงสัยในพระพุทธศาสนาเองนานาจิตตังก็ออกไปจากเอกจิตตังพระหุวัจนะวัจนะแปลว่าคําพูดพระหุ้แปลว่ามากจะพูดมากสักเพียงไหนก็ออกไปจากอันหนึ่งจะรับถึงล้านก็ออกจากไปจากหนึ่งจะย่นลงมาก็ย่นลงมาหาหนึ่ง ถ้าอย่างนั้นก็ไม่สิ้นความสงสัยทุกก็มีอันเดียวเลยสรรพทุกข์ทั้งปวงก็เอกทุกในปัจจุบันชัดแล้วถ้าพระสังขารทั้งปวงก็ย่อนลงมาหาเอกสังขารในปัจจุบันปัจจุปนันจะโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นชื่อว่าไม่งอนแง่นคอนแคลนในพระพุทธศาสนาและจะไม่สงสัยในพระพุทธศาสนาเองด้วยและจะไม่กล่าวตูในพระพุทธศาสนาเองด้วย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 ไปได้จริงไหมไปได้จริงด้วยฤทธิ์ไปได้ไปไปด้วยฤทธิ์ไปได้ฤทธิ์เป็นอธิกไปได้ฤทธไม่ได้ไปด้วยตัวใช่ไหครับไม่ได้ไปด้วยตัวไปด้ยฤทธิ์ไปด้วยจิตไปด้วยจิตด้วยฤทธิ์ได้เหางการัดผมผมผมขจาระผมผมขจารึครับคือที่หลวงปู่บอกทุกปู่นั่งเนี่ยหลวงปู่สามารถจะเห็นได้รอบโลกใช่ครับใชพ่อพ่อฤทธิ์อันนี้ขึ้นไปปบพอเห็นด้ยปัญญา ได้ปัญญาพอหลวงปู่เจริญเจริญปัญญาได้เพรับอืาก็ถ้างหลวงปู่เนี่ยเดินทางไปละรอบโลกแล้วปู่สามารถจะมองเห็นได้ว่าที่ครงนั้นเขามีอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกแล้วคือผมเพิ่งเข้าใจเผมคิดเข้าใจว่าพระภิกษุที่เจริญภาวนาได้สามารถจะก้าวไปได้ไกลฝาสามัญชนธรรมดาเดินแต่จริงๆแล้วไปด้วยไปด้วยฤทธของปัญญาไปด้วยปัญญาครับ ไม่เรื่ปัญญาปัญญายปนิสุทธิ์ฉติบุคคลจะบริสุทธิ์ก็เพราะปัญญาปัญญาโลกรมิปัโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญายะปริสุทธิ์ฉติบุคคลผู้จะบริสุทธิ์ก็เพราะปัญญา เหตุฉะนั้นจึงว่ายิ่งพัฒนาความยา่ยิ่งพัฒนาทุระไม่ใช่จะสมาธิทุระพระพุทธศาสนาศินไม่มีสมาธิจะมียังไงสมาธิไม่มีปัญญาจะมียังไงต้องสินดีถึงจะเกิดสมาธิมันต้องหนุนนําหน้นอนนุให้สินหน้นด้วยผู้ที่บริสุดน้ำไม่มีเนื้อจะมีมาจากไหนกระดูกจะมีมาจากไหน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 ถ้ารอบครอบในที่แห่งเดียวแล้วอย่างอื่นอืก็ไม่ช่องสงสัยถ้าสงสัยอันหนึ่งก็ต้องสงสัยหมดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับสงสัยได้เลยถ้ารู้ชัดอันหนึ่งก็รู้ชัดหมดชัดหมดเข้าใจดีแล้วนะทีนี้ครับเริ่มขับับจิงหรือหรือขับแก้ลมคาร์ไม่ใ่จริงจริถ้าถผมกลมคาร์ผมรู้ผมกลับไปนอนแล้วลุงปุ๊บถ้าว่า ถ้าจะบอกว่าแก้ลำคามอนี้ผมกลับไปนอนแล้วเกือผมไม่ผมไม่ทราบนะว่าเรื่องที่ผมกลับวเนถามหลวงปู่กัเนี่ยผมไม่้ที่ผมสงสัยานานสง ส, ยสัยศาสนาพุทธแบบที่หลวงปู่ว่าไม่ต้องสง ส, ยสัยศาสนาพุทธมันขึ้นอยู่กับมนุษย์แต่ละลายของบุคคลทําไมปฏิบัติปฏิบัติจริงก็ย่อมเกิดผลจริงจงถูกแล้วเราจะไปดูถูกเรียนศาสนาพุทธเมื่อเห็นเขาปฏิบัติย่อนเราจะไปดูถูกศาสนาพุทธมันก็เป็นเรื่องของเขา เราจะไปเห็นคนจนเราก็จะละอาเศรษฐีมันก็ไม่ได้นะไงผู้ที่เขาเป็นเศรษฐีก็มีอยู่คเขาไม่ได้จนหมดฉันใดก็ดีเราไปเห็นผู้ปฏิบัติย่อนผู้ปฏิบัติไม่ดีผู้เขาปฏิบัติดีกว่านั้นมีอยู่มันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวปุ๊อีกอีกอีกทีหนึน่ ง, งครับปู่ฮะคือเมื่อกี้หลวงปู่พูดว่าอย่างขณะนี้นะหลวงปู่มีคนม า, มาทํา ระบบปลาปลาไฟฟ้าปลาปาอะไรให้จะเป็นคนรวยหลวงปู่นะฮะหลปูป่ก็มีความศรัทธาในคนคนนี้นะเท่ากับว่าคนที่ทําบุญมากๆจะต้องจะต้องได้ผลบุญเลยตอบแทนนะะอาจจะคือคนทำบุญมามากเนี่ยอาจจะเรียกเชื่ออย่างผมนะตายไปนั้วขึ้นสวรรค์ใช่ไหมครับหลวงปู่ใช่ไหมที่ที่ผมพูดพูดถูกไหม ค, คนที่ทําบุญสร้างสร้างวัดฐาวนวัดปู่เข้าในพุทธศาสนาอะไรต่างเนี่ย เมื่อตายไปแล้วเรื่างตายเนี่ยจะไปอยู่ขึ้นสวรรค์จริงไหมล่ะพวกมันก็ขึ้นอยู่กับขณะดจิตของเขาเองเพราะเจตนาของเขานนะัเขาสร้างเพื่อสวรรค์หรือเขาสร้างเพื่อพ้นทุกข์ในวตารงศารมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเองมันไม่ขึ้นอยู่กับเราผู้ทำนาทายทักแห่งเดียว ขึอยู่กับเจตนาของครับผมครับครับผมพวกเราจะเปรียบเทียบว่าถ้าเอย่างคนที่จนในหมู่บ้านนี้ซึ่งไม่สามารถจะสร้างให้ด่านอย่างเงินล้างเงินสายถนนถนนอะไรแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีโอกาสมีโอกาสได้รับพรได้รับอะไรจากจากผลบุญอะไรมาทั้งที่เขาไม่เข้าไม่ได้มามามาถวายเงินถวายทองสร้างอะไรเลยในหลวงปู่นะซึ่งแตกต่างกับคนร่ํารวยซึ่งเอาเงินมาถวายอะไรต่างๆเนี่ย ที่คนจนอย่างชาวนาที่ผมนั่งรถผ่านเอาเนี่ยนะกรมลงนำนะก็เลยว่าหลังสูกป้าหน้าสูตรนอย่นีน้นี่พลบุญอันเนี้เขาจะดี<ข>ไหมจะได้มึงไหมครับเขาก่อได้ถ้าบารมีของเขาแก่กล้าเราให้นึกดูอย่างนี้ขั้พระพุทธศาสด า, าของเราเนีน่ผู้ที่คนจนเป็นพระรหัสมีหรือไม่ผู้ที่เป็นคนรวยมีเป็นพระรหัสมีหรือไม่เป็นพระสวดาบาลมีหรือไม่ สำหรับเกลืออ่ะเมื่อคนรวยไปกริปจึงจะรู้จักเข็มหรือหรือคนจนก็รู้ยจักเข็มเหมือนกันครับครับครับตอนนี้พอแล้วนะครับพอแล้วครับผมผมพอใจเลยครับก็ลูกคุณลุงปูมาพอดีชั่วโมงพอดีนะครับทีผมว่าเรานาลุงปูไปเลยผมก็กลาวขอบคุณลุงปูที่ผมได้อะไรมาเยอะยะเลยครับเป็นยังไมาหายเหนื่งยังไหมหายเลยหายเลย วันนี้ <มา S 1> นั่งมาหก<ม>ร้อยกิโลออกมาแต่งงเช้าว่เมื่อไหร่จะตินึงที่ได้มากาลหลวงปู่ก็บอกมีโอกาสมา ก, ก็ใหญ่ขึ้มาเปา่าหัว <c oughs> นั่งติดเสกทิเป่าแล้วที่นี่เป็นงูเหา <c oughs> ่าผู้ทวโมทโกรอาปายผู้ทวดโมทโกรนั่มาลหลอกหะอุบายหลวงปู่ให้หลวงปู่เป่างวนี่ห <c oughs> ลวงปู่ไม่ใช่ไม่ใช่เซศาสตร์ด อ, อก <c oughs> ให้พรลูกหลานให้พรให้พร พู้พ <อ S 1> ทวดธรมโมสัโสุกเปขเ<อ>ดีพพ๋ยวเวอย่าลืมอัญยศสัตวตเทศเนอะอัญญศสัตว์ตัเทศถือศาสตาอื่นมาตุคข่าฆ้ามันดาพิตุค่าฆ้าวีดาอรหัตตค่าฆ่าพรหันโลหิตตุบาททำลายถึงพวกพุทธเจ้าให้ยังพลงหิตไถห้อขึ้นไปทั้งก็เพอย่ายังสงสัยแต่จากกันอัญญศัตตัเทศถือศาสตาอื่นกรรมหงหยางนีห้ามสววันห้ามนิพานตั้งในฐานปาราชิก ผู้ถือพุทธศาสนาห้ามไม้ทำเป็นเด็ดขาดไม้คอไม่สามารถได้รักผลนิพพานในชาตินี้แต่ว่าชาติต่ตอไปมันก็สามารถจะได้ไม้คอในปัจจุบันในชาติไม่สามารถจะถึงโลกุตละถ้าไปติดอยู่อย่างนั้นเข้าใจไหม คือผมเกือบไปแล้วนะครับถ้าผมไม่ไปเจอหลวงปู่วันนี้นะผมก็ยังคิดว่าอืมศาสนาพุทธเนี่ยจะต้องนับถือศาสนาอับนถือศาสดาอะไรก็ได้น่อผมก็เลยจะเข้าไปนับถือว่าเยซูให้ก็ดีนะฮะนั่นหมาเดียวกันคือพระโมโหมมัสยิงครับศาสนาอื่นๆเขาไม่มีพระโวดาบันเขาไม่มีสักคาคามียเขาไม่มีพระอนาคามียเขาไม่มีพระละหัน ถึงจะปฏิบัติดีสักเพียงไหนก็ไม่มีเพราะเป็นโลกียะศาสตร์อย่างนั้นชาตินาพุทธอนั้นผู้ปฏิบัติดีจะถึงโลกุตระได้รเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมพระบรมศาสตราพูดอยงนั้นเรายืนยันเข้าข้างธรรมเราไม่ยืนยันเข้าเข้าข้างตัวเรายืนยันเข้าข้างธรรมทำเป็นจริงอยู่อย่างนั้นคือเล็กนิ่ผ่านมาหลายแห่ง ไปรับเรือมังกรล่ามังกรลัชุมารไปอยู่เมืองนอกไปพบศาสนาอื่นมาด้วยก็เลยคิดว่าอย่างนี้จะดีผมไม่เคยไปไหว้ข้านศีลังการนะข้อพิสูจนนะผมเคยเคยไปไหว้มาแล้วฮะที่คนไทยเขาพยายามปฏิกัติไปผมเคยไปมาแล้วคนศีลป์การนี่ไม่ค่อยไหว้พระพุทธรูปนะะจะไหว้ต้นโพนะครับที่ผมเห็นมานะครับผมก็ถามเขาพอผมเดินเข้าไปในในบริเวณวัดเนี่ย เขาจะชี้เลยว่าให้ผมขอรองเท้าแล้วผมไม่ต้องถือรองเท้าเดินแล้วไปแต่ผมไี้เข้าไปไหว้พระพุทธรูปต่นนี้เดี๋ยวกันชาวศรีลังกาจะไหว้ต้นโพจะไหว้พระศรีมหาโพธิ์พระพุทธรูปนอพระพุทธรูปก็เลยต้นโพก็เก็มีความหมายอันเดียวกันครับก็เป็นที่เกี่ยวข้องกับพระบรมศาสด า, าก็มีความหมายอันเดียวกันแต่ผมมาถึงบ้านเร น, นี่เราจะจะไหว้พระพุทธรูปจะเป็นเรียกว่ารอเอร์นะครับร้อ คนศาสนาพุทธจะวาพุทธรูกก่อนกางแล้วอย่างต้นโพลูก็จะไม่เคยมีใครกล่าวถึงเท่าไหร่นะครับต้นโพลก็เป็นที่ตัดเชลูกของพระบรมาศาสนาเป็นลม่มครับเป็นพุทธานุสติเราระลึกถึงในตัวก็ได้พระพุทธลูกกอบแทนลูกของพระบรมาศาสนาเช่นไฟอย่างนี้พระพระบรมาศาสนาดอกไม้เหล่านี้พระบรมาศาสนาท่านทนชอบหรือเราเอาไปบูชาทําไมท่านชอบชอบดมดอกไม้หรือ เราเอาไปบูชาคุณเฉยๆไม่ใช่ว่าท่านดลบนอกไม้เสียงสว่างก็เหมือนกันไฟอย่างนี้เราไปบูชาพระคุณของท่านเป็นอมิสสบูชาบูชาจกปูชนณียานังเอตัมมังคลมุตตะมังบูชาในพระพุทธศาสนามีสองอามิสสบูชาหนึ่งปฏิบัติบูชาแต่ปฏิบัติบูชามีอนิสงส์มากกว่าอมิสสะบูชาครับปฏิสันถานในถ้าพวกทางพุทธศาสนาก็มีสอง อมิสสาปฏิสันฐานปฏิสันฐานโดยอามิตสข้าวน้ำเป็นต้นตธรรมะปฏิสันฐานปฏิสันฐานโดยธรรมด้วยธรรมะก่าวธรรมะถึงกันและกันแต่จะเวน้นอมิสสะปฏิสันฐานก็ไม่ได้จะเวน้นอมิสสบูชาก็ไม่ได้เหมือนกันครับเล่นไม่ได้ยกทฐหอนเช่นกระทาทาย ได้ดอกบัวมาเราจะไปถวายบูชาพระมาลายพระมาลายเมื่อท่านได้รับแล้วเ อ, อ่อเราเข้าฌานได้เราควรจะไปบูชาธาเตุเทีย๊ยวจุลนารมณนี้พระมารายก็เข้าฌานไปบูชาธาเตุเทีย๊ยวจุลนามณนี้ที่คนทั้งหลายปฏิเสธอาวิสสะบูชาโดยถ่ายเดียวก็ไม่ถูกอาวิสส์แล้วก็ควรบูชาท่านพูดอย่างนั้นหรอครับบางท่าน เขาเอาทุเอเทียนมาขว่างทิ้งเออฉลาดเกินครูไปเขาเอามาให้โดยชอบทาโดยเราไมา่ได้ขอเราก็บูชาคุณของท่านทีนี้บุคคลผู้เกิดมาในวัตตชงสารผู้เมตตาสายแกวตลอดถึงเก้าสิบปีก็ทั้งยังทนเข็มได้ก็เพราะเคยถวายแสงสว่างในชาติก่อนท่านพูดอย่าง้ นางอุบลวันนาเอาดอกบัวไปถวายพระประเจกเกิดมาพบใดชาติใดขอให้ข้าพเจ้ามีสีเหมือนดอกบัวนางอุบลวันนาก็ต้องมีสีเหมือนดอกบัวมาทั้งห้าร้อยชาติวันนาวันะแปลว่าสีวันะแปลว่าสีกายอุบลอุปละอุบลแปลว่าดอกบัวนางท่องเที่ยวในวัดตาสงสารนานไปนานมาเพเข้าสู่พัฏฏิพาน พ่อองเขาพระบรมศาสด า, ษ า, ษานางอุบลวรรณกับนางกัญหาเป็นกับอันเดียวกันแต่คนไร้ชาตินางกัญหาชาติเป็นพระเวสสันดร น, นางอุบลวรรณเป็นชาติชุดทยใต้ชาติชุดใต้ที่เขาสู่พระนิพพาน<ม>ก็นางเก่านั่นเองครับ ศาส น, นาใดๆในโลกก็เสมอเหมือนพระพุทธศาสนาไม่มีสาบวกว่างไส้ บ, บั้งขวามีบริบูรณ์สร้างบารมีมาเท่าใดมีบริบูรณ์หมดพระโมคคัลลาก็สร้างบารมีมาแต่ขั้งพระเจ้าอนุมัดศสีภาษารีบุตรก็เหมือนกันมีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เท่าพุทธศาสนาเลยพุทธศาสนาสอนลึกลับเต็มที ในระหว่างพวกรามีพระพุทธศาสนาก็าสอนครับใช่ครับ อ, อพระพุทธศาสนาเป็นการบ้านเป็นการเมืองเป็นการเทวบุตรเป็นการเทวดาเป็นการของพปัสดาวันเป็นการพระสกทาคามีการพระอนาคามีการพระละหันส่วนพระละหันท่านไม่ได้สอนมากการท่องเที่ยวในวัดตาท่องสารของ พ, พวกเราจบเพียงแค่นี้หนอแค่นั้น คือแกเก็บตาของพวกเราไม่มีอีกแล้วอย่างนี้อย่างะคือสมัยก่อนเนี่ยไม่มีทูบไม่มีเทียนนะคร<ช>ับถ้าเราจะยกมือตั้งจิตหรือ ว, ว่าบูชาทุกคืนเนี่ยจําเป็นจะต้องใช้นะทูบเทียนมันมีมาโดยเป็นธรรมเราก็ใช่ไม่มีเราก็ไม่ใช่แล้วผลนะผลก็<อ>ได้เสมอการบูชาเนี่ยจะเสมอถึงไหมถ้าเราตั้งจิตด้วยเนี่ยฮะใส่นิ้วกับนั่นไป โดยไม่ต้อาประกอบด้วยสิ่งพวกนี้ทั้งทิ้งที่บางครั้งก็ราคาก็แพงความจำควรอะไรเงี้ยนะได้รับกันได้อรับการจิตเราปัดปฏิบัติสมันเสมอเงี้ยก็ไม่จําเป็นได้ใช่ไหมไน้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นอไม่จำเป็นครับไม่จเป็นทีนี้คนจนก็มีเป็นพระสวัดาวันจะกรฐานีอนาคาทิอานาขันครับคนรวยก็มีในครั้นพุทธการ คนลูกเศรษฐีก็เป็นพระรหัรหลายมากหลายคนจนก็เป็นพระหรหั์มากพระาราชาพามก็คนจนพวกโจรผู้ร้ายก็เป็นคนโจรอยู่ที่ตั้งจิตแนว่<ม>แนวแน่เองตระห า, กากมก<ม>ับคาสอนแนวทางพุทธศาสานาละเอียดและอ่อมากพวกพวกมาชรลาชุดนีน่เขาก็พ า, านาแงเก่งเหมือนกัน นั่นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เขาก็บริกรรมอยู่อย่างนี้แต่ไปพม่าโลกได้เหมือนกันพมชราสูตรคือสูตรที่มีชรายังมีชราอยู่ยังมีมรณะอยู่เรียกกิงเรียกว่าพมชราสูตรพมชมพนศาสนาอื่นๆเขาจะกินศาสนาพุทธกินไม่ได้ดอก นักปราชญ์ยังมีอยู่กืนกินไม่ได้ผู้ปฏิบัติเดชปฏิบัติชอบยังมีอยู่ยังกืนกินไม่ได้เพราะว่าบุญยาก็ยังผิดกันลิบเล ย, ยกืนกินไม่ได้ทุกยุคทุกสมัยเขาประชันขั้นแข่งกับพระพุทธศาสนานี่แต่ก็กืนกินไม่ได้คือท่างฟุตยังเห็นจริงเห็นจังกว่ามากเห็นจริงเห็นจังกว่ามากมีเหตุผลมากครับ ก็ลองดูคิดดูวันหนึ่งวันหนึ่งศาสนาพุทธเลี้ยง ม, มนุษย์มากขนาดไหนนี่คุณพระพุทธธรรมประสงค์ด้านจีวรจะมีกี่ล้านด้านบิณฑบาตจะมีกี่ล้านด้านเสนาสนะจะมีกี่ล้านด้านเทสะจะขันจะมีกี่ล้านทีนี้เรามาคิดดูเท่านี้ก็พอแล้ว ทุนของอามิต์ในทางพุทธศาสนากับทางอื่นอันไหนมากกว่ากันทีนี้ผู้ที่ถือพระพุทธศาสนานี่ยนะเขาเป็นคนโง่หรอกหรือพระบรมราชาเป็นคนโง่หรอกหรือดูผิวพรรณวันละขององค์ท่านสิกับพระบรมราชากันทางอื่นนั่น่ะประเทศอื่นนั่นนะโฉบหน้าต่างกันไหมใช่ครับเออเท่านั้นพอแล้ว นั้นพอแล้วนั่นเราห้อจักรในทางประเทศของเราห้อยจักรในทางคลราวานราชาโนราชาโนราชาโนมีทุกยุกสมัยของพระบรมศาสด า, ศาพระบรมศาสด า, ศากับพระมหากษัตริย์นี่กับพระบรมราชานี่ เป็นคู่กันมาแต่หลายๆแล้วที่นี่แล้วจะไปขี้หึงว่าท่านเป็นพระบรมราชาแล้วจะไปก ด, กดคอให้ต่ําลงมันก็ไปไม่รอดทําไมถึงไม่ไปกดคอพระพุทธเจ้าให้มาเป็นพุทธชนคนหนาก็กดคอไม่ได้อพระพุทธเจ้าเป็นคนเก่งแล้วจะเสกสรรให้พระโสดาบันลงมาเป็นพุทธชน บนมับมบ ม, บมบในปากแล้วก็พ่นลมไปให้เธอเป็นพุทธชนซักใส่ใสพระอาหารหันต์ให้มาเป็นพุทธชนสาวกของท่านก็เป็นไม่ได้หฉะนั้นพระบรมศาสต์สดายจึงเขารบธรรมสัรธโมคลุกาตโมสถานอื่นๆที่นีอ้าวเราจะลองถามดูที่นี้ อะไรก็ พ, พระรพผู้เป็นเจ้าสร้างอะไรก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างพระผู้เป็นเจ้าก็คือหัวใจของเรานี่เองมันผู้สร้างขึ้นครับอชอบถูกไหมถูกต้องครับอืมทีนี้อะไรก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างอะไรก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างพระผู้เป็นเจ้าไปสร้างอลูกพญาติปากขอมา <ร purposely S 2> อให้เบียดเบียนคนทําไมเสือสร้างมาทําไมเอองูสร้างมาทําไมมีประโยชน์อะไรนั่น ก็กรรมของสัตว์พระบรมศาสดาพูดอย่างนั้นกรรมของสัตว์เอ็ของสัตว์นี่อที่ว่าฆ่าสัตว์ได้บุญทีนี่เขาจะมาฆ่าเราเอาบุญเราจะยอมไหมล่ะทีนี้จะฆ่าให้เราไปสวรรค์วันนี้เราเราจะยอมไหมล่ะไม่ยอมนั่นพระบรมศาสดาให้เอาตนเป็นพยานจริงจริงไหมล่ะใครก็ต้องรับชีวิตของใคร อา้าทีนี่อธิบายให้ฟังบ้านาธิบารเนี่ถ้าไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฉาตราอาวุธก็ไม่ต้องมี <Okay. S 2> อธินาทานถ้าไม่มีการรับฉกจ ก, กหอ่อวิ่งราววิ่งไทยวิ่งเก๊กวิ่งจีน <Okay. S 2> การดูแลรักษาก็ไม่มีครับ <Okay. S 2> คุกก็ไม่มีตารางก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีจะสบายไหมล่ะโลกสบ <Okay. Bye. S 2> ายก็มีสมิตธ์ใชาจานลูกใครมีใครไปด้วยกันก็สบาย นอนก็ไม่เสด็จดวงภาวไม่เป็นห่วงด้วยถ้าเขารบอันนี้แล้วนี่มุสาวาดพูดเทสทีนี่ใครพูดเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นผูพ้พูดก็ไม่เสียเวลาผู้ฟังก็ไม่เสียเวลาสุดาเมระไรถ้าไม่ดื่มสุดาเมไร่ข้าวที่เอามาทำสุดาเมไรยแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดมดกี่ตันเอามาให้คนกินอย่างอื่นไม่ดีกว่านั่นหรือนี่ กินแล้วแล้วมันอาถารก็พีว่าอาถรรพ์ไม่ใช่คนมีปัญญาอาถารรพ์พีว่าอาถารมันมีปัญญาปัญญาอะไรอืไม่เห็นมันมีปัญญาดื่มหน้าเมามีโทษหกหนึ่งเสียส์รครสองก่อการทะเลาะวิวาสสามเกิดโรคสี่ต้องตีเตียนห้าไม่รู้จักอายหกตอนกําลังปัญญาหน่ะมีผิดที่ไหนออื<ม>เที่ยวกลางคืนมีโทษหก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 เมื่อแพ้อย่ามเสียใดทรับย์ที่เสียไปทรัพย่อมคลิปหายยังย่ําลงองีกไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคําเป็นที่มีนประมาทของเพื่อนและคนทั่วไปไม่มีใครจะสงประสงค์จะแต่งงานด้วยก็น <ๆ S 2> คนขี้บกขี้เวียนั่นแหละเขาประสงค์แต่งงานกันแต่นักปาไม่แต่จริงไหนที่นักปาติถึงนั่นควรควรเว้น สิ่งไหนที่นักป่าชมสิ่งนั้นต้องควรรักษาไว้คนผ่านเอาเป็นประมาณไม่ได้สิ่งที่น่าชมมันติก็มีสิ่งที่น่าติมันชมก็มีเช่นธูลาอย่างนี้กินเป็นระยะระยะมันไม่เป็นปัญหาดอกเขาก็แตงเอาครับบางบางครั้งมันจําเป็นนะหลวงปู่นนะไอ้เรื่องธูลาเป็นระยะเลยครับคือคือผมผมอาจจะมองกับหลวงปู่คนคนละมุมนะฮะแล้วนะผมมองในทางต้งานลารวาอย่างกรณีผมปกครองรู่นน้องผมร้อยคน ซึเป็นพลเรือมนมันมันแตกต่างฐานภูมิที่เป็นฐานทั้งพวกนี้ไม่ใช่นนมิตรแท้ <c oughs> สีจ่จำพวกมิตรอุปการะมิตรร่วมสุกร่วมทุกมิตร <c oughs> มีความรักใคร่มิมีอุปการะมีลักษณะสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้มาแล้วสองป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้มาแลา้วสเมื่อไปเอาเป็นทีมพื่อความสำนักได้สีเมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกป่า มิตรร่วมสุขร่วมทุกมีลักษณะสี่ทุกก็ทุกด้วยสุขก็ทุกด้วยโตเถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนรับรองคนพูดสนับสนุนเพื่อนมิตรแนะประโยชน์มีลักษณะสี่ห้ามไม่ทําความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอ น, นุเคราะห์นโนใจอน ง, งามบอกทางสวรรค์ให้การคามิตรในทางพุทธศาสนาก็เปิดอยู่แล้วคีครับ<ม>ครับใช่ฮะถูกไหมถใช่ว่ากีดกันเลยไม่ให้ครบครับแต่ที่นี้ว่าในด้านทางปฏิบัติเนี่ยบางครั้งสายคาวาดเนี่ยมันจะต้องแตก แต่การทาพุทธศาสนาไปขวายเอาซึ่งมั น, มนจะไปข้อแตกยอดแต่ย่อยแบบลากฝอยก้นไปใไปมครับซึ่งพระมของเนี่ยผมใช้ทั้งจิตวิยาทั้งใ น, นการพูดภาษาชาวบ้านอะถึงหู่ถึงคนใช่ไหมครับใช่ในการที่เราจะเอาเข้ามาเป็นพวกของเราอะครับใช่ไหมเอาเข้าเข้ามาทํางานให้เรานะะแบบสงครามดึงประชาชนคื ซ, ซึ่งรัฐบาลทําำทุกวันนี้เหมือนกันนะถ้กผมออกเข้าป่าไปเนีฮยผมก็ต้องไปทําตัวเข้าประชาชนใช่ไหมครับผมเป็นผมเป็นเจ้าที่บ้านเมืองอย่างเงี้ยเจ้าที่ประคอง เขาไปเจอประชาชนต้มเราเถื่อนผมจับผมก็ก็ตายเท่ากับเป็นการแยกเหแยกประชาชนออกไปใช่ไหมครับผมเจอประชาชนป้มเราเถือ่อนป้อมเขาหน้ากินเราเถื่อนผมต้องโบกเข้าไปกินกนเข้าด้วยอันนี้คือรากฝอยซึ่งแตกแตกไปตัวมาจากภูศาสนาหลวงปูย่ยอดรักนะครับพระเจ้าจพิมพิสารทรงอํานาจสิทธิขาดจึงทรงพระนามว่าราชามาฆะทู แปลว่าพระเจ้าแผ่นดินมาโคตรทรงอํานาจสิท ธ, ธ, ธิขาดกฎหมายท่านัตั้งเองคนเดียวไม่ต้องอาศัยคนอื่นเพราะเหตุใดเพราะท่านเป็นพระสวดาบาลการพระสวดาบาลแจ้ง แ, แ, แต่งตั้งกฎหมายนั้นไม่ได้เข้าข้างตัวเพราะเอาสินห้าเพราะเอาทำมาเป็นแว่ดเสก่อนจึงตั้งกฎหมายเหตุฉะนั้นจึงสามารถตั้งกฎหมายคนเดียวได้ทรงอํานาจสิท ธ, ธิขาดครับ ไม่เข้าข้างตัวก็หมายที่เกี่ยวด้วยสุราเมีอะรก็ดีที่เกี่ยวด้วยการแผ่นก็ดีมันก็ไม่ถูกกกิเลสหลวงปู่อยู่ถ้าเราถือศาสนาพุทธก็ยกเลิอกออกซะในประเทศไทยไม่ควรมีถ่าพูดไปก็เป็นการเมืองแต่ก็เป็นการพระพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะพระพุทธศาสนาห้ามเลยครับอืมมันเริ่มจะขัดกันมันก็ขัดกันคขัดกันได้แล้วนเศรษฐกิจด้วยอืเศ ร, รษฐกิจด้วยที่นี<ร>่ทอ เศรษฐกิจที่นี่คัดเศรษฐกิจของพระพิสุสงฆ์อีกด้วยเนี่ยผู้ที่เข้ามาหาพระพุทธศ า, าสนาก็มาผูกเอาเรียกเอาผากระพระไปเยอะแยะทุกวันนี่นั่นตกลงพระก็เลยเป็นสนามเป็นเป็นเป็นเป็นสนามการผนันไปใช่แล้วที่นี่พระผู้มิรูอีินูอินี่ก็พอยเป็นไปกับเขาด้วยนั่นที่นี่ เราได้เงินในส่วนนี้เข้าไปในในบำรุงชาติ <c oughs> ชาธานะไปไปบำมุงชาติก็จริงแต่ว่าสอนลูกให้เป็นโจรบิดาก็พาลูกบิดาคือรัฐบาลลูกคือประชาชนแล้วก็เล่นการพนันกันมันจะรุ่งเรืองมาจากประตูไหนที่นี่ <c oughs> จะได้ตา้งาน้นล้านที่นี่ <c oughs> ตัางาน้นล้านก็ตามจิตใจของมนุษย์ มันเสียไปเนะี่ยมันไม่ถึงสินถึงธรรมมันทําหาเรื่องชีิตไม่สมควรเนะ่ะมันเสียไปกี่ล้านนะทีนี้มนุษย์คนหนึ่งคนหนึ่งจิตใจมันไม่ถึงธรรมเสียไปกี่ล้านทีนี้ไม่คุ้มค่าอ แ, แต่สารทุงเศรฐกิจเนี่ยเราก็เลิกไปได้ถูกไครับเลิกไปได้เราจะไปเลิกโรงงานต้มสุราถูกไหมคนงานอีกประมาณเกือบแายคนตกงานทันที ถ้าเราเลิกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับคนงานอกประมาณหมื่นคนตกงานทันทีเราก็หากินทางใหม่ลุงปู่ขนาดนี้คนเราประมาณสักผมว่านะฮะประชากรเราห้าสิบล้านเนี่ยคนที่ตกงานแล้วเนี่ยที่ไม่มีงานทําขนาด น, นี้นะะตกประมาณคือกับสิบล้านคนเลยเพราะนี่อไอๆโจกนอะไรต่างๆเน้ี่มันจะเกิดขึ้นมากมันเกิดขึ้นมาคราว น, นี้มันป้นมันก็ทางพระแล้วลุงบู่ ที่ต้องฝากลุงปุ่แล้วนะครับว่าระบปู่ต้องพยายามเทศพยายามอะไรเรื่องสอนสั่งสอนเลยครับพยายามดึงคนให้เข้าทางพุทธศาสนาให้มากมันก็รั่วมาจากหลังคามันจากอกไก่มันแล้วทีนี้ได้มันรั่วลงมาแล้วมันรั่วมาแล้วทีนี้อันนี้เคือผ ม, ว, มว่พาพระสงฆ์พระสั์บบบพระสงฆ์สู้ไม่ไหวพระสงฆ์สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วพระสงฆ์มันมีอํนนานาจคืออันนี้เท่ากับว่าบท บ, บาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาประเทศนะครับ มาในขาวุข้อนอนะี้นะผมนะฮะคือตอนนี้พระสงฆ์นะครับผมก็เห็นว่าเห็นว่าสมาคมเทล่าเลยนะเขาก็ยามจะจะตั้งเป็นกองทัพธรรมขึ้นมานะะแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้ไประโยชน์ขนาดไหนเที่ยวจาริกเผยแพร่อะไรต่างๆซึ่งเขามีโครงการอะไรมาเนี่ยแต่ผมไม่รู้นะว่าว่ า, ว, าว่าเขาทำก็ได้ขนาดไหนนะอันนี้เท่ากับว่าบทบาทของพระสงฆ์ในการช่วยพัฒนาประเทศชาติ คำสอนของพุทธศาสนาเป็นคำสอนพัฒนาอยู่แล้วถ้าเป็นคำสอนก็เรียกว่าเริ่มจมพัฒนาคำสอนของพุทธศาสนาสอนทั้งคารวาส ด, ด้วยสอนทั้งพิสุทธิสมเณรด้วยสอนทั้งพระโสดาบันด้วยสกทาคามีด้วยอนาคามด้วยอหรหันด้วยนีถ้าเป็นคำสอนอันนี้แล้วใครจะเก่งกาดอำ น, นาจไปที่ไหนก็ไปไม่รอดดอกเพ ร, ะราะคารวาสท่านก็สอนหมดแล้ว ขี่หิปฏิบัติท้งเล่มเป็นคําสอนของคารวาสนะเป็นธรรมดาสอนโลกอยู่แล้วจะตุกะกักมมะกิเลคือกรรมเครื่องสมองสีย่ย่างป้านาตทําชีวิตในตกลว่อทินาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมาให้ด้วยอาชการแห่งกระโหมกามีสุวิทยาจารณ์ประพฤติผิดในการมสีมุสาวาสพูดเท็จกรรมสี่อนี้นักป่าไม่สนเสนุนเลยอบายมุขือเหตุเครื่องขิ้ผายมีสอยา่าง เป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงในการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรมันเป็นคําสอนตายตัวอยู่แล้วนี่ครับมั <ขำ S 1> <ใ>นเป็นคําสอนตายตัวอยู่แล้วนี่นี่เราจะไปหาคําสอนที่ไหนมาสอนอีกจะให้ดีเด่นกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีดอกคือครับคันนี้ถูกไหมนี่คําสอนที่ที่มีอยู่นี่มันไม่ทั่วแล้วปุ๊คันนี้นะครับ มันทั่วมันเอาไปขายอีกซ้าแต่มันไม่ประพฤติตามนี่ครับเนี่ยฮะนี่ครับมันเป็นอันนี้ครับผก็พบ <c oughs> ว่าท่านนี่หลวงปู่ก็มีบทบาทแล้วทํายังไงจะให้มันประพฤติตามสองสองหลงนนวงอันดีเขาก็ว่าธรรมะพระเจ้าได้ถ้าทําได้เงี้ยไ ม, ม่ตม้องมีตํารวจไม่ต้องมีอะไรแบบหลวงปู่ว่าแน่นอนแน่นอนนะแม่น้อยครับผมยอมรับทีนี่มันก็กรรมมุนินาวัตติโลโก้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม <c oughs> พอเขาเห็นอยู่ใน <c oughs> ชั้นนั้น <น>ครับเขาเห็นอยู่ในชั้นนั้นอันนี้แห <นะ S 2> ละครับคื อ, คอนี่แหละครับผมเพงบอกว่ายากองเรือวิสัยเหมือนกันครับเรือวิสอยเก็คือ พ, พระสงฆ์นี่จะต้องช่วยให้เข้าพ้นกรรมนะฮะพ้นจากกรรมอันนี้ขึ้นมาแเ<ม>คือว่าฉุดออกจากขุมนรกขุมที่เราไหลไม่รู้ก็นเนี่ยให้รักษาสินห้าเนับที่นี่มันก็ไปผูกเอเลขก้าที่นี่อผมก็ผูเอาอย่างนั้นครับให้รักษาสินแปดนะที่นี่มันก็ไปผูกอเล็กแปดที่นี่ครับ อ๋อนั่นก็พวกบ้านั่นจับห้าแปดไปแล้ไปจับห้าแปดซะอย่างนี้มันก็หมดทวนทางพระหมดี้ทวนทางเลยพระแต่ผู้ที่ถึงทำแท่นนมันก็มีอยู่แต่เขางวก็ขนงวทีนี้มันมีเพียงเขางวเท่านั้นอันเหลือตรงนั้นก็ขนงวทีนี้ มันก็สู้ไม่ไหวเอว่างกันครับปีที่สองพันห้ารอยแปดเนี่ยท่านจ้คุณท่านจ้คุณพิสารศาสนาจิตมาให้หลวงปู่คนหนึ่งเป็นเป็นพระธรรมทูต ให้อาจารย์ท่านอาจารย์คงแก้วองหนึ่งให้อาจารย์ท่านอาจารย์มหาบุญมีองหนึ่งท่านอาจารย์มหาบุญมีเป็นอาวุโสสูงท่านอาจารย์คงแก้วเป็นที่สองหลวง ป, ปู่เป็นที่สามไปด้วยกันไปเทศนาท่านก็อธิบายมาว่าข้างพุทธการข้างพุทธการก็ยังให้ไปประกาศพระศาสนาไปคนอาทิตย์ละทางท่านอธิบายนะครับนี่หลวง ป, ปู่ก็เถียงอยงนี้ หลวงปู่ก็เถียงต้องทําตามปฏิัทาของหลวงปู่มั่นอย่ไปอยู่ที่เก่ า, อ, าออกเที่ยประกาศศาสนาหลวงปู่มั่นไม่ใช่ท่านแบกกรดพายมุ่งพายบาดไปเที่ยวสั่งสอนคนท่านไปปฏิบัติอยู่ในป่าของท่านต่างหาก ผ, ผู้ใดเขาเลื่อมใสพระห้าท่านท่านมองโลพอที่จะเทศได้ท่านจึงไปเทศเอา อันนี้เราไปเคาะประตูเขาเทศจงหาบเอาจะมาพูดอย่างนี้หลวงปู่พูดอย่างนี้ครับใช่ครับข้าพเจ้าพิมพิสารพระพระเจ้พาพิมพิสารมากราบพระบรมสาราีนาเป็นคนชิบสิบสองละหุสละหุดหนึ่งคงมีหลายหมื่น พ้าเราศรสาสดามองดูเขายังไม่เคารพพอท่านก็ไม่เทศเมื่อเขาเคารพพอแล้วองท่านจึงเทศแต่ว่าลำของเขาก็ยังมีเกียรติกรพระนี่อย่างนั้นผมมายอมละเถียงเมื่อลำหมอรับอะไรเขาอยู่บ้านเขามีคนไปเชิญไปจ้างเขาอันนี้เราไปเที่ยวเคาะประตูเทศเขา ก็ผมไม่ลงด้วยตามันไม่อุ้บผงขึ้นมาเราก็คว้างแห้ไม่ได้นะะาแต่มันอุบโผงขึ้นมาจริงๆเราคว้างไปตัวโตๆมันก็เลิกตีนแห่ของเราไปไงอืมถูกไหมถูกครับเอาะให้หล่งปู่ให้พ่อเลีงด็กเนยผมก็ เด e ๋ยวคงห a ีแท้ก็อาสนาลุงปู่ชั่วโมงเลยนะครับเป็เลยนะทุกวันนี้พระไต้พี่โเขาขายกันหมดแล้วพวกเขาไปปฏิบัติสินทำเขาจำพระูดพระวินัยได้ยิ่งกว่าเราด้วยเราลืมไปเราคึกว่าพระนี่เขาก็ยกมือใส่ก็พระมันขันเราพระไทยบูชาข้างล่างเออเขาบูชาข้าว่าเดหายเ ได้เลยนะ